ไม่เป็นกลางใช่คือถ้าจิตมันรู้สึกตัวอย่างแค่จิตจิตตั้งมั่นแค่จิตมันเท่ากับมาเลย์มันจะไม่ไหลเข้าไปข้างในหลวงปู่เทศเลียจิตส่งในส่งไปข้างหนส่งก็เกิดแส่งไปเจ็บทุกข์ให้เราเคยรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วมันไม่ยากเหีือวมันก็ขึ้นมามันยากตรงคนหัดแรก ส่วนมากพวกเราไปหาปฏิบัตนะิทำแล้วเราไปนั่งสมาธิเป็นหลักคิดว่าต้องมีสมาธิสุดก่อนมีเงื่อเกิดปัญญาถ้าสัมมาสมาธิมันก็ใช่ต้องมีสัมมาสมาธิมีเงื่อเกิดปัญญาไต้สมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่ทํามันเป็นวิฉาสมาธิสมาธินั่งอกเสือหรือถ้าเราวัดความรู้สึกของเราให้ดีถ้าเมื่อไร่เราอยางคิดว่าสมาธิ คือการทําความสงบก็เรายัางห่างคำว่าสมาธิเยอะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงอะไรเป็นจิตไม่หลั่งไปไม่หลงกันไปจิตจะรู้สึกตัวรู้เรื่องไม่ตัวขึ้นมาเือจิตตั้งมั่นถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วเนีถึงจะไปเจริญปัญญาได้ ใหญ่ๆเราจะไปนั่ ง, งเอาจริงเห็นมิมิาเห็ น, นแสงเห็นเเวลาเห็นทีไม่ได้เกินสารการะอะไรของศัสนาพุทธจเจริญปัญญาไม่ได้เจริญ ม, มหขนั่งยุ่งหลงตัวติดโตกุเทศเลยติดอาจารย์เดียวนะ่ะ <c oughs> มีมาเต้นกั ค, คนเต้นเป็นวัดกงคืนนั่งในโบส บ่นไม่พอนั่งเพราะบ่นเร่เดินตรงกรมในข้างานอกมาตอนั้นยังไม่บ่อะไรเรื่องดูเรื่งไม่มีใครปฏิบัติ เ, เลยมีได้นั่งสามาธรรมรรมิออกเค ร, รื่อ ง, ง, ามมาองเลไม่ได้นั่งทำความรู้สึกตัวเราจิ้งทําวามความรู้สึกตัวจิ้งความรู้สึกตัวหรือจิ้งจิที่ตั้งมั่นจิ้งสัมมาสมาธิเอาเค่เอาสงบนั่งวันไหนเคิื่องก็ว่าดีวไหน ม, มันไม่เคิื่องกไม่ดี เราไปวัดความดีความไม่ดีของการปฏิบัติเป็นตรงที่สงบหรือไม่สงบใช้ไม่ได้หรอกเช้ามาเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มหวานวันใช้เขาไม่ปฏิบัติจริงคนทําำเป็นร้อนบอกไม่ได้ปฏิบัติทำไมบอกไม่ได้ปฏิบัติหลวงปู่บ่านไปสอนไม่ได้มีสติเพราะนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไร้ขาดสติไม่ได้ขาดการปฏิบัติเราทิ้งสติเราทิ้งสัมมาสมาธิ หวังว่าจะเกิดปัญญาแล้ก็ไปทำวิถีขาสมาธิเมืม่อทันเกิดปัญญาเน้นบางคนฝึกหลายปีวันนี้สงบพรุง่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุง่งนี้ฟุ้งซ่านตลอดชีวิตทําอยู่เท่านี้มันไม่ได้แก่สารสาระของการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธไมมีบทเรียนมีสาบทเลยเรียกว่าสิกขาสามไตรสิก ข, ขา ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต้องเรียนทั้งหมดจะเรียนให้รู้เรื่องก่องว่าเรียนปริยัตติศีลสิกขาได้เรียนท่านใจวัดเว้นการ ท, ทําผิดทําบาปเพื่อจะตัดเชื่อมวงรั ง, รงทางจิตใจซะก่อนอย่างคนคิดจะฆ่าเขาเนี่ยมีภาระมากมากกว่าคนไม่ฆ่าคนอื่นคนที่กินเล้าก็มีภาระมากกว่าคนที่ไม่กินเล้า หเงินไปแล้วหาเงินไปซื้อเหล้านะซื้อเหล้ามาแล้วก็ต้องชวนเสื่อนี่กินกินเมาแล้วปวดหัวจะแก้ยังไงที่ทาด้านนี่ไงเงินศีลไม่เป็นตัวตัดพาดไม่ใช่ถึงศีลยิ่ลําบากอย่างจะเป็นชู้กับเมียเ้าเนี่ยลาบากนะมีศีลห้าสันฉิสนสนโสตคู่ของเราไม่ลําบากมีศีลทาได้สบายถึงจโกหกต้องใช้ความจำ เรากเพราะว่ายัางเหต้องจำนี่พาระแั้วนั่นเองฉะนั้นการมีศสียก็คือการตัดภาระทางใจออกไหมดเครื่องรุนแังถัดจนั้นต้องมาเรีนเรื่องสมาธิจิตสิกขาในเรื่องของสมาธิธรรมสมา ธ, มธิก่อนจะไป็เจริญปัญญาต้องนรนู้บ้างนะธรรมสมาธมิใจตั้งมั่นทำไมต้องให้ใจตั้งมั่นใจของเราเนี้ยเคยชินที่จะไหลยอยู่ในกองฟุ้ง เคยชินที่จะหลายเป็นทุกข์อยู่กับอารมณ์เลยเจ้าของไม่ไยเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์คล้ายๆเราตกบ้านก้างที่ทิ้งขยะคอทมออยู่ตรงนั้นมันตั้งแต่เด็กๆไม่มีจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราหลเข้าไปอยู่ทีนไหนมิจูตรงนี้กลางของนี้ทุกข์แต่ทุกข์ที่ไหนไม่เห็นเนยไม่เห็นว่าทุกเพราะมันเคยชินเกิดมาก็เป็นอย่างนั้น ว่เม wow. wow. ื่อไรสามารถรู้สึกตัวขึ้นสามารถฝัดถอนแค่ไหนเราออกจากบ้านที่ก้าวข้างกองขยายออกจากบ้านในช่วงลาเรากลับมาที่บ้านนั้นใหม่จะเหม็นเหม็นเหมนเป็นพิเศษและเหม็นตามความเป็นจริงนะครับเนื่องจากหลุดออกจากความเคยชินวิธีทำจิตให้หลุดออกจากความเคยชินเก่าๆในการที่จะคลุกอยู่กับอารมณ์ คือคลุกอยู่กับกองคลุกนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขามีสองวิธีวิธีหนึ่งทำสมาธิทำฌานเรียกว่าทำฌานทำจิตให่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเม่อจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนั่นเป็นอารมณ์ที่สบายมีฟีลริดมีความทุขมีภูเบกขามีอารมณ์อยู่สามอันเนี้ยคนไปวนมาอย่ในนี้ ใช่แต่ว่าเราออกจากบ้านเมืองเราที่รุดอยู่อารมณ์เล่าเน่าเรออกมาอยู่ในที่อากาศร้อกลยู่อยู่ชั่วคราวพอเราหลับเข้าไปกระทบอารมณ์เก่าออกจากสมาธิมาจิต เ, ล, เลื่อนเลื่อนเข้าไปเกาะอารมณ์เสียเห็นทุกข์ชัดทำสมาธิันจิตตั้งมั่นทนฌานเพื่อถอดถอนตัวเองขึ้นชั่วคราวจิตไหลเข้ า, า, าไปอยู่กัทุกข์ เพ น, นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งของเชิ่มนั่งเห็นแสง น, นั่งอะไรคนเรื่องเลยนี่บางคนถ้ ท, ทําสมาธิทําฌานไม่ได้จะทํายังไงดีมีอีกวิธีหนึง่งมันมีสองวิธีวิธีทาําฌานนั่นมวิธีของพวกสมถยญานิกพวกเดินด้วยสมถะอีกวิธีหนึ่งของพวกวิปัสสนาญาณิกพวกใช้ปัญญาเลยให้เรามีสติตามรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่น เร า, ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไ ป, ไปถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตจะเกิดความรู้สึกตัวจะถอดถอ น, อนตัวเองออกมาตั้งมัน่นขึ้นในวิถีแห่งความรูแจง้งข้อ 6.2 ยกตัวย อ, อย่างมาเยอะเช่นเรานั่งเข่งเข่งเรานึกว่าปฏิบัตินะแต่จริงหลงเข่งจิตพลัมลงลยเข่ง เมื่อใดเรามีสติรู้ทันเว่าจิตเราสลับลงไปเพ่งจิตจะฝักฝ่อนัขึ้นมาเรารู้สึกตัวนี่เรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะถัดจากนี้พอเราจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าจิตสรงไหมทางใจโพกุลเทวีทรงในสรงไปทางใจเขาไปทํางานทั้งวันนันปฏิบัติธรรมหรือนักตกผิดเข้าข้างในทั้งเกี่ยวกบทั้งนั้นโยเวนพวกเพ่งสติดเพ่งอะไรนะเพออกไปข้างนอก ในส่วนใหญ่จะเพ่งเข้าข้างในถ้ารู้ทันแล้วกาลังส่งเข้าไปข้างในก็จิตจะถอดถอนขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวทุกชั่วขณะให้มีคณิกาสมาธิจิตถอดถอนขึ้นมารู้สึกตัวอย่างที่ฝ่ายธรรได้รู้สึกตัวขึ้นมาปัญญาเราไหลไปเป็นก่ออารมณ์ก่อนี้เดียว่าเหสว่าทุกข์เพราะมันเคยไม่ทุกข์ไแล้วเคยหยุดตรงนั้นเพื่อนั้นเราจะเกิดปัญญาคือจะเห็นทุกข์ เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ไม่ได้เลยถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นอนี้ก่อเจริญปัญญาสิกฐานต้องมีจิตสิกขาต้องเรียนทำไงให้จิตตั้งมั่นส่วนใหญ่ชอบไปตั้งเข่งเข่งเข่งกําหนดลมก็เข่งลมหายใจจิตไม่ตั้งมั่นจิตลงไปอยู่กับลมกําหนดเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้ากําหนดท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง ทำอะไรภาวนาติโชจิตไหลไปอยู่ในความคิดมีแต่เรื่องหลงไปไหลไปทั้งหมดเลยจิตไม่ตั้งมั่นแล้วต้องให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตใจเราตั้งมั่นในความไหลก็ไม่หยุดส่งเข้าไป ข, ข้างในจะเห็นทันทีเมันอุนาทานทันทีอย่างพวกเราเคยสังเกตนี้เราปฏิบัติทำเราไม่เป็นอะไรก่อนจะปฏิบัติ้ใจเราเฉยเฉยพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราแน่เลย เพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็ส่งจิตเข้าไปข้างในไปหาอารมณ์สักอันมาดูสัรหาเกิดความอยากขึ้นมาต้นขยามเข้าไปขยามเข้าไปทำอะไรเข้าไปยึดอารมณ์บางอย่างไว้ที่จะเอามาดูแน่ๆอุปาทานพอจิตเข้าไปยึดอารมณ์ได้แล้วถ้าจิตก็ทํางานเช่นดูเิธีอารมณ์นี้จะเป็นยังไง ทำยังไงจะรับษาจิตที่โกร่งโล่งเบาไม่ได้นี่คือก า, าการทำงานทั้งสิ้นการทำงานทางใจทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าครบนะครบพอจำเท่าพอผ่านในปัจจิจะสมุปะบาทต่จิตเรามีปัญหาพยายางเข้าครูบาอาจารย์รัดปาตรงนี้จิตสงหอบทรงนอกตรงในก็ตา ส่งออกไปไปยึดอารมณ์นี้อุปาทานธนาเป็นตัจใจให้เกิดอุปาทานอุปาทานจะใจให้เกิดพบส่งใจเข้าไปแล้วก็ส่งใจไปทํางานมีพบก็มีทุกนั่นแหละคล้ายๆเราต้องทํางานหนักคนนี้คนว่างงานกับคนทํางานนี่ไม่เหมือนกันะคนว่างงานไม่ต้องมีภาระไม่มีทุกแตมีภาระมากก็ทุกมา ก, มกมส่งใจเข้าไปทํางานข้างในเช่นไปทํากรรมฐาน วารีกรรมนี่หวังว่าให้มันสงบนี่กำลังสร้างภกสร้างชาติแต่ถ้าวันนี้มันสงบไม่ได้ผลตามเป้าหมายก็รู้สึกดีใจไม่รู้หรอกว่าทุกในรอบนี้นะทุกต้องจะเริ่มทํางานแล้วมองทุกไม่เหมาต้องไปคิดว่าถ้าทางานทันใจแล้วไม่ได้ผลตามที่หวังไว่ถึงจะทุกคิดอย่างนี้ดังนั้นมันทุกซ้าซอง ส่งใจก็้า้างในไปทํางานมันก็ทุกไปหนึ่งรอบแล้วทํางานแล้วไม่ได้ผลอย่างที่อยากได้อยู่ทุทกข์หนักกข้าไปอีกคนในโลกจะรู้จักทุกข์ตัวนี้คือผิดหวังแล้วเลยทุกข์ไม่ได้รู้หรอกว่าการที่จิติ้นรนสแสวงหาหาผลที่ต้องการการที่ต้องร้นรน้อนมันจะทุกข์รอบอีกคล้ายๆเราต้องทํามากินหนักนะนแดงกลุ้มกล้วยไม้ลกล้วยไม้มนหนึ่งาระใช่ไหม มีความทุกข์ไหมตื่นมาทำต้องดูแลต้องรักษามีความทุกข์นี่เราเฝ้าหวังว่าถ้าต้ยไม้มีดอกไปขายได้แล้วเราจะมีความสุขบางครั้งอุตส่าห์เหนื่ทุกรอบแรกต้นไม้ไม่ดีได้ผลไม่ดีหรือได้ผนดีขายไม่ได้ราคาทุกอีกละที่ทุกข์ซ้ำซ้อนคนในโลกจะรู้จักท <ừ> ุกข์เป็นหลังเไม่รู้ว่าท<ๆ>ุกข์ที่เกิดทางใจมันมี แต่ถ้าเรารู้ทันการทํางานของจิตที่เราส่งเข้าไปทํางานทางใจรู้เข้าไปทางนี้ป๊อจ <c palace> si ิตจะถอดถอนด้วยงกมาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไหลไปทํางานอีกไหลไปทํางานอีกเห็นทุกข์อีกเห็นทุกขซ้ำซ้ํา้ำในที่สุดจิตเกิดปัญญาจิตรู้ว่าความทุกข์เกิดจากการที่จิตเนี่ยไหลเข้าไปส่งเข้าไปที่ลงปู่ดูทั้นสอนจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตของเราส่งเข้าไป ส่งนอกส่งในก็ตามแต่เขาเรียกว่าส่งจิตส่งเข้าไปเมื่อไหร่ก็เป็สชมูไทยพิเศษให้เกิดทุกข์ต้องดิ้นรนนี่ถ้าจิตเห็นจิตเห็งแจ่มแก้งเรารู้ทันแล้วแบบอันนี้จิตไหลเข้าไปรู้ทันนี่เรยกจิตเห็งจิตนะจิตที่ไม่ไหลแล้วจิตผัดผ่อนตเองจิตไม่ทุกข์หรอกจิตไม่ส่งนอกจิตไม่ส่งในนี้ลูกูเที่เรียกว่าใจ หลวงปู่เสมมติเรียกตัวนี้ว่าใจไม่ใช่ส่งเข้าไปแล้วนี่ต้อเรียกว่าจิตอ้าวลูกสิ่ง์จิตมาเฟ่ถ่ายออกมาทราบแล้วส่งจิตพระเบบีนิ่งอยู่ตรงไหนต้องรู้ทันนะตัวสมมติถ่ายแต่เราเคยคิดว่าส่งลงไปนอนแช่มากๆต้อจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกการส่งจิตพระเบปีนอนแช่คือการพักผ่อนถ้ามาถามอัตมาบอกว่า ถ้าผมพักก่อนมากๆแล้วผมจะรวยไหมหรือดนะิฉันพักผ่อนเยอะๆจะรวยไม่รวยเอาจิตลงไปนอนแช่อยู่เนี่ยสมนนะถะนหมเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนเรื่องไหนอยากมีปัญญาต้องออกมกททันกระทบอรมณ์นะี้หายจินออกมาแล้วมันมีความรู้สึกตัวอยากก่าเผลออย่าหลงนะอย่าให้เผลออย่าให้หลงให้รู้สึกตัวเ น, นึ่องๆใจหนีไปทางตาก็รู้หนีไปทางหูก็รู้หนีเข้าไปทํางานข้างไหนก็รู้ ยังเมื่อกี้เข้าไปทํางานตั้งแต่รู้ทันจิตก็จะถอดถอนออกมารู้สึกตัวขึ้นตั้งมั่นขึ้นหลังจากนั้นแค่มีหน้าที่แค่ตามรู้กายตามรู้ใจแค่เราจะเห็นรู้สึกไหมอย่างจิตถอดอดอกมาอย่างนี้รู้รู้กายไม่ใช่ตัวเราือารู้ออกชัดๆเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นเราหรือไม่ใช่เรารู้สึกเหมือนก้อนธาตมาตั้งอยู่ต่ตอหน้าตานี่เหมือนก้องอะไรก้อนหนึ่งมาตั้งเช่นจิตใจละจิตใจได้คอยตั้งรู้ความรู้สึกไปก่อน เรยังเห็นตัวจิตไม่ได้ต้องตามรู้ความรู้สึกความรู้สึกนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันการที่เห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนแปงเรียกว่าการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสัญญาเลยไม่ใช่การทําให้นิ่งแต่เป็นการได้เห็นความจริงว่ามันไม่นิ่งมันเปลียนแปงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทีนี่ตามรู้ไปนะถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญา ถ้าไม่จเจริญปัญญาตรงนี้จะบนรลุมากผลเลยไม่มีวันบรรลุเอ่ยจะมากล้ายืนกันไม่มีวันบรรลุหรอกใจหลงไปแล้วมีแต่คิดทราบไหมมันแลย่มีแบบหลกวไหมให้รู้ทันเนีไม่ใช่ปล่อยใอ้เลื่อนลอยแต่ไม่ใช่นั่งจ้องไปไม่ใช่การนั่งจ้องไม่ใช่หลักของการปฏิบัติเนี่ยมีสามข้อ จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆวกที่มาไม่เช้ามาฟังเดียรอบแล้วอาจจะฟังยังไม่รู้เรื่องก็ได้อันแรกเลยเราจะทำที่ศัสนาหรือจะเจริญปัญญาเราต้องเห็นตัวสภาวะจริงเห็นกายเหลนใจจริงๆไม่ใช่คิดเอาอย่างเห็นจิตใจเนี่ยเราจะเห็นเนี้ยก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายต้องเห็นสุขเป็นทุกขเห็นดีเห็นชั่วนี่จริงๆไม่ใช่เรื่คิดเอา ต้องเห็นให้ถึงตัวจริงของมันของรูปของนาหของกายขอใจนี้จะเด็ดถึงตัวจริงของมันได้ต้องไม่ใจรอยนี่พอเรารู้กาย ร, รู้ใจได้แล้วเห็นรู้ใจหมีไปแลนะ้วถ้าเรารู้มันได้แล้วต่อไปวิธีรู้ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้บอกแลยนะข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติก็คือต้องรู้ให้ถึงกายถึงใจหรือรู้รูปดูนามให้ได้ข้อที่สองวิธีรู้ วิธีรู้เนี่ยวิธีรู้ที่ถูกต้องมีความสามาก่อนจะรู้อย่าทำอะไรเมื่อจะรู้ก็รู้ไปเลยไม่ต้องตั้งท่าสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราชอบตั้งท่าแหลกดูออกไหมเรคิดถึงาการปฏิบัติต้องทําใจขรึมๆ ก, ก่อนพอขรึมใด้ที่แล้วถึงจะดูเนื่อหลงไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วถูกหลอกแล้วเพราะฉะนั้นรู้ก็รู้ไปเลยถูกก็ด่ า, ดาโกรธ ได้ได้ถูกก้อดา่าเดี๋ยยังไม่ดูความโกรธความสำรวมอยากจะดูว่าโการธไหยไม่โกรธแล้วความโกรธไม่มีว่าไม่มีของจริงให้ดูแล้ยไปแกล้งทำํำฉุนเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้เนี่อรู้เข้าไปเลยยุ่งกับว่คันรู้ว่าคันคันแลว้วโกรธรู้ว่าโกรธโกรธแลว้วอยากตกยุงรู้ว่าอยากตกยุงได้รู้เข้าไปตรงๆอีกไม่ต้องตั้งข่ารู้ไม่ต้องทําฉุน ท, ทำสำรวมอันที่สองระหว่างรู้ จะถลับลงไปเวลาเรารู้อารมณ์ทั้งหลายเราจะชอบไหลก็ไปชอบถลับลงไปแช่อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างรู้ลมหายใจถูกเก่งไหมใจเราเคลื่อนไปไหลลงไปนอนแช่อยู่กับลมเวลารู้ท้องใจก็ไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเลาชอบไหลจิตไม่ตั้งมั่นเราะั้นระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลับโลกแผเนอย่ให้สัตว์รู้อยู่เฉยๆอย่าให้ใจถลับลมหายใจต้องตั้งมั่น ถ้าใจไม่ตั้งมั่นไม่เกิดปัญญาเนี่ยถล้ำลงไปแล้วรู้สึกไหมไหลเข้าไปดูข้างในเนี่จิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นว่าหว่างรู้ที่ให้สั่งว่ารู้ไม่ใช่รู้อย่างดูเนี่ยจะพิไฟไปจะพิฟแว๊บๆอยูพอไปดูแล้วใจไหลไปอยู่ที่โน้ลืมตัวเองลืมกายลืมใจเนี่ยขาดสติแล้วเรียบหลงเรียบร้อยแล้วขาดใจที่ตั้งมั่นสรุปแล้วก็คือก่อนจะรู้อย่าตั้งค้า ระหว่า ร, รู้อย่าสลับลนุ่มไปนอนแช่อย่าให้ใจเคลื่อนลงไปแช่เขรู้แล้วลนะ่ะรู้แล้วไม่ทําอะไรรู้แล้วจบลงคี่ที่รู้เท่านั้นเยไม่ใช่รู้ว่าเฮ้ยนี่อกุศลนี่นี่โทสะทายัางไงจะรักโทสะนี่หางานทำอีกเนี่ยสร้างภพสร้างชาติางใจต่ออีกรอบหนึนะ่งแเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วไม่ทําอะไรจิตเป็นกุศลก็รู้ว่ามันเป็นกุศลเห็นกุศลเกิดแล้วดับไม่ต้องรักษากุศล จิตเป็นอคูสุก็รู้ว่าอูสุนเกิดระดับไม่เข้าหาทางดับมันไม่รู้ด้วยใจไม่เป็นกลางจิงผิรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแทรกนี่ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วจะมาถึงกฎข้อที่สามกฎข้อที่หนึ่งก็คือต้องรู้ให้ถึงสภาวะรู้กายก็ต้องรู้กายจริงๆไม่ใช่คิดเรื่องกายรู้จิตก็ต้องรู้แต่ที่ความรู้สึกจริงๆกฎข้อที่สองก็คือก่อนจะรู้หรือต้องรู้ให้เป็นแต่จะรู้ไม่ตั้งท่าขระหว่างรู้ไม่ขลัง รู้แล้วไม่เข้าไปแกล้งแก้ไขให้เติมอะไรลงในการรู้เขาทาสองงานนี้แนละ้วนะรู้สภาวะได้วิธีรู้ถูกต้องแนละ้วรู้เนืองเนือรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ได้ครั้งเดียวแล้วเลิกเลยแต่ให้รู้บ่อยๆวิธีปฏิบัติเปิดง่ายๆไม่มีอะไรใจดีแวบหูทันดูออกไหมมันดีแวบครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เที่ยง จะดูให้เกิดปัญญาก็ต้องดูให้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ดูให้นิ่งเราชอบปฏิบัติต้อไปดูมันให้นิ่งดูให้นิ่งไม่มีอะไรใช้ไม่ได้หรอกแต่เราต้องการดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมันคนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้ดูลงไปที่ใจเราอย่าง น, นี้มันหนีไปคิดเมื่งหนีไม่ดูมั่งหนีไปหามั่งเราไม่ได้เจตนาเลี่ยนนมันทํางานเพื่มันได้อี <C oughs> เห็นไหมมัน ห, ห, หนีแวบเนี่ยดูออกไหมแวบบแวบบ บังคับไม่ได้คำ ว, ว่าบังคับไม่ได้นั่นคือคำว่าอนาาัตตาถ้าเราเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้นเราจะเห็นเองว่ากายเร า, เาก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้จิตที่ยิ่งหนีเก่งนี่แอบแอบอบไปเลยเมื่อไใดเห็นว่ากายก็บังคับไม่ได้จิตบังคับไม่ได้เพื่อนั้นสัจัยยัติที่ขาดเราจะล้างความเห็นผิดว่ากายกับจิตคือตัวเราสัจัยยัติที่ขาดจะได้เป็นพระโสดาบันนั่นอยากเป็นพระโสดาบันไม่ใช่นั่ง ซึ่งสามวันสาคืนใช้ไม่ได้นะเขาไม่มีวันเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่มีวันเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา น, นีไปคิดแล้วใช่ไหมนี่กําลังทําอะไรอยู่ทราบไหมหลงฝังตรงนี้รู้สึกตัวรู้สึกไม่ไมเหมือนกันหลงคิดแล้วใช่ไหมเอาคำไม่ว่าจิตจะทํางานอะไรนะแต่คําว่าหลงก็ไปได้ตลอดเพราะว่าหลงจริง รู้กันหลงนี่ยนะสุดขั้วเลยไม่ซึมนะนะชื่ออะไรเปิดๆไม่นั่งให้ซึมเนะ่เป็นนั่งให้ซึมไม่ดีเป็นโมหะสมาธิเนี่ยนะหลงอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกตัวไว้อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคนละขั้วเลยพละโลกเลย ไอ้นั้นหลงไปก็คือไปสร้างภบสร้างชาติสร้างภพนี่จะไปคิดว่าจะเกิดปัญญาไม่มีวันเกิดปัญญาเลยปัญญาอยู่ที่ใจเราตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาว่าฝ้าใจไหลไปทำงานแล้วรู้ทันว่าทุกข์มันเกิดถ้ารเป็นอย่างนี้ได้ก็จะเกิดปัญญาเป็นภพนได้ทําลายสกิรยปิฏฐิได้แล้วอซึมหรือแล้วไม่ซึม แม้คนจะบอกหัวงพ่อวันตู้อยู่นั่งสมาธิซึมนิดหนึ่งก็ไม่ยอมลืมตาได้ไหมที่ผ่านลืมตาท็ไมลืมตาเพราะพระพุพธทธเจ้าไม่เคยสอนให้หลับตามีไม่ในพระเศษปิจตาปิษูทั้งหลายให้เตือนนั่งผูบันลังตั้งใจตรงลำน อ, องประสีอย่าข้อหน้าสองอย่างนี้เพื่อสอนบอกพิสูทั้งหลาย ให้คบันรันตั้งกใจลงดำรงตติเฉพาะหน้าแล้วหลับตาไปเมืยไม่มีนะดูพระพุทธรูปมีองค์ไหนหลับตาไหมมีแต่ตาลืมตาทุกองอยู่เว้นตาปิดตาไหมนีม่พระเป็เห็นไหมไม่รู้ปิดทาไมของเราต้องเป็นตาลืมตาเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเข้ามาต่างตาปัญญาเข้ามาตั้งต า, ต, งา ต, งตามองเหน็น ตามองเห็นนี้ทําไงเออดูออออทดสอบว่าฟังวันหนาเราดูเรื่องนี้ <c oughs> เคยมีคนมาวัดฟังฟังฟังก็โอ้เข้าใจแล้วีฉันเข้าใจการปฏิบัติแล้วเพตาเห็นรูปเช่นตาเห็นพัดลมเหพัดลมตาเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเป็นแมสปฏิบัตินี้ใช่ไห ม, ไ, หมไม่ใช่หรอก <c oughs> ตาเห็นก็มรู้ว่าพัดลมมันไปได้อะไร เมื่อตากระทบอารมณ์หูกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดที่ปลูกแต่งไว้ให้รู้ทันความรู้สึกของเราเช่นเราเดินเดินไปเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเดินไปไกลเในีลยความดีใจเกิดขึ้นให้รู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าเพื่อนเดินมารู้ว่าเพื่อนเดินมาไม่มีประโยชน์อะไร <S <S 1> <S 1> ให้รู้ว่าดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมาตกใจ รู้ว่าตกใจไม่ใช่รู้ว่าหมาบ้ามาแต่ต้องวิ่งให้ทันนะไม่ใช่ซื้อบือไปให้มันกเดนะคือครูฟ า, านใจก็ไปสอนหลวงู ล, ล่าหรือล้ลวงปู่หลวงู่ล่าหรือหลกงู่จันทากันก็ได้นะหลถ้าไปบินธบะคนที่ท่านบอกพระหมาว้อามาหมาว้อกาคือหมาบ้าสระทยุทมาว้อามา ท่านบอกว่าถ้าจวนตัวก็ให้ทิ้งบากแล้ววิ่งขึ้นต้นไม้เลยอย่ามาทําสํารวมเดนะินช้าๆนะบอกว่าต้องมีสติมีปัญญารักษาตัวเองให้ได้ไม่ใช่ทํำสถึงสูกหมากัดก็นแล้วแต่มันแต่งกายมันโงนะ่เนอะหลวงพ่าชายเขาสอนเนะี่ยสํารวมอะไรเนะนี่ยสํารวมคือคืนระวัเงเดินทําถึงเนี่สนะงงํารวมเนี่ยเดินหลงเข้าข้อไฟไปอย่างไม่รู้เลย ออุ todo. Todo. ้มบาตรินบาตผึใช้ไม่ได้เล้เพราะนั้นลุกตาขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมามีจิตใจที่ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ใครรู้ท่าทางความรู้สึกในใจอ็เอาไว้ในการปฏิบัติจะง่ายๆถ้ารู้ความรู้สึกในใ่ไม่ได้ก็มาดูกายร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดเดี๋ยวซ้ายไหลขวาก็รู้กันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวถ้ารู้ถึงความรู้สึกในใจได้ก็รู้ความรู้สึกไน การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจุดหมายตลายทางนะเป็นการบรรลุมรรคผลการบรรลุมรรคผลต้องเห็นอริยสัจ ร, รู้ว่าทุกเกิดได้ยังไงอะไรเป็นกองทุกเมื่อไรใจหลงเข้าไปเกอะใจยึดถือใส่ทุกรู้ว่าทุกเกิดได้ยังไงนี่อริยสัจเกิดที่ใจเกิดที่จิตการปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าถึงจิตถึงใจอย่างนี้เรียกว่าได้แก่นสาร หลวงู่เต้ถูกสอนว่าผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจงไม่ได้แก่นสัรใการปฏิบัตริรู้อยู่ซื่งซึกว่านั้นไม่ได้แก่นสารอะไรรู้ใจไม่ได้ก็รู้จิตรู้ใจไม่ได้มารู้กายไว้ก่อนตายเป็จจบ้านของจิตเราอยากเจอจิตเราหาจิตไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านของมันมาตามรู้อยู่ที่กายเช่นเรานั่ง น, นั่งให้สบายนั่งเฉยมันก็ชักเมื่อ เมื่อยมากๆมีใจชักกระสับกระส่าย เ, เริ่มเข้ามาดูที่จิตใจได้แล้วใเอากายเป็นผ่านเข้ามาดูถึงใจใจอยากจะเปลี่ยนอยุรยาบเทแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้ข้างๆเรายังไม่มีใครขยับเลยเราจะขยับก่อนก็อายเา็ไม่รู้ทันอีกเรียนรู้เข้าไปเพราะรู้รู้ใจไม่ได้ก็รู้กายรู้กายก็ไม่ได้อีก ยัดูไม่เป็นมวดพัวไปหมดแล้วทํายังไงจิตใจฟุ้งซ่านสับสนก็ทําสมาธิแตไม่รู้จะทําอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไว้หรือกําหนอนลงในใจหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่เอาเฟิรมนะหายใจเอาความรู้สึกตัวครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้หายใจเข้ารู้สึกตัวไม่หลับไม่เผลอหายใจออกรู้สึกตัว เอาลมหายใจเอาพุทโธอะไรนี่มาเป็นเหยื่อตกปลาเราจะจับปลาด้วยจิตเช่นเราหายใจไปหายใจไปจิตเราสงบรู้ว่าจิตสงบแต่หายใจแล้วจิตฟุ้งซ้านรู้ว่าจิตฟุ้งซ้านเื่อหายใจก็จะมารู้ทันจิตพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตสงบหรือว่าสงบจิตนี้ไปเที่ยวแล้รู้ว่าหนีไปเที่ยวในงี่สุดเรารู้ทันจิตเยสมาธิทำมาให้รู้ทันจิตนะไม่ใช่ทาเฉยๆทําแบบไม่รู้เป้าหมายใดทาง มาจาได้ไหมมันต้องลืมความเชื่อต่อกลทิ้งนะแล้วงาว่ายนิดเดียวเลยเงี้หลงคิดอีกแล้วรู้ไหมหลงไปแล้วรู้เรื่องราวไม่ใช่รู้สึกตัวนนะหลงไม่เลิกรู้ไหมสิตให้หลุดออกมาดูออกเรื่อล่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ทำโดยใช้ความาคามิดคิดรู้วันคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้รู้สึกไหมไม่เหมือนกันตรงนี้โล่งเบาเมื่อกี้หนักใช่ไหมเห็นไหมตอนคิดคิดอยู่หนักไม่เคยเห็นเลยว่ามันพุบเพรามันคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเอแต่ว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาสิมันโล่งหมดเลยพอโล่งแล้วเนี่ยพระใจไหลเป็นคิดนิดเดียวก็จะเด็นทุกขะจิดลงไม่ทํางานเมื่อไรความทุกก็เกิดทุกขมันเกิดอีกแล้วรู้สึกไหมมันอึดอัดที่มันยิดหนึ่งแล้ว แนี่รู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนการดูออกไหมเอาจิตไว้ตรงนี้บ่อยๆไม่ใช่เอาไว้ข้างในอยตรงนี้ไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนี่ตรงนี้ถึงกลางตรงว่ากลางนี่หลู่เทนเน้นนักหนาแค่กลางเยังไม่กลางอีนะเข้าในอีกแล้วเข้าไปคิดใครรู้เรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นคิดมานะรู้ว่าคิดมดี รู้เรื่องที่คิดมันค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เวลาตาเราเห็นรูปรู้ว่าดูไม่ต้องดูอะไรต้องรู้ว่าดูรูปอะไรก็ได้สำคัญที่รู้ว่าดูเวลาฟังก็สำคัญที่รู้ว่ากำลังฟังอยู่ไม่ใช่ฟังเรื่องอะไรสังเกตไหมว่าเราจะฟังเรารู้ว่าฟังเรื่องอะไรแต่เราไม่รู้ว่ากำลังฟังอยู่แชาวบ้านขั้งบ้านเราต้มินพาหวเมียตีกันเยอะอย่างนี้ เขาพูดอะไรแล้วเรามีที่ประสงค์ได้ยินหมดเลยตั้งใจฟังฟังลืมตัวเองงั้นถ้าถ้าฟังรู้ว่ากําลังฟังไม่ใช่รู้เรื่องที่ฟังใหยหัดไปอย่างนี้หัดให้รู้เท่าทันจิตใจติดใจไปฟังรู้ว่าฟังไปคิดรู้ว่าคิดไปเพ่งรูว่าเพ่งทาอะไรอีกแล้วฟังแล้วไม่รู้ว่าฟังอะจะไปได้ประโยชน์อะไร มันได้ประโยชน์เห็นว่าจิตเนี่ยเกิดทางหูแล้วก็ดับจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับประโยชน์เราจะหาตรงนี้อย่างเราเข้าห้เรียนโคตรคนละเรื่องเลยนั่นไม่ใช่การปฏิบัตินี่คือการดูดเข้าห้เรียนแล้วฟังเฉยเฉยไม่ต้องไปจำนั่นก็สอบตกนั่นทำหน้าที่แต่ถ้าเรื่องปฏิบัติเป็นอีกงันหนึ่งจะแยกวนกันตอนนี้มีหน้าที่ทํางานคิดไปคิดให้รู้เรื่อง ตอนนี้จะ จ, จะัดเจริญสติจะมาดูว่ า, ากายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยง ใ, ใจเราเดี๋ยวก็ไปเกิดทางตากไปรู้ว่ารมทางตาไปดูเดี๋ยวก็ไปเกิดทางหูแ ล, แล้วเกิดร <ห ả? S 1> ลดับ็ดับก็มาทางใจอย่างนั่งฟังอยู่เนี้สังเกตไหเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดสลับไปสลับมาเราสังเกตที่ว่าใช้ตาใช้หูหรือใช้ใจเยอะกว่ากันดูออกไหมเกือบทั้งหมดเลยใช้ใจ ฟังคิดเดียวฟังแล้วก็คิดไปยาวเลยก็มาฟังอีกหน่อยคิดอีกยาวๆเพราะงั้นจิตมันเกิดทังใจเยอะเกิดทางตาทางหูน้อยเนี่ยไปทางใจเรื่ยๆคือออกไหมเพราะงั้นรู้ทันว่ามันเข้าไปเกิดทางใจเจ๋อเห็นเลยว่าเกิดทางใจแล้วก็ดับไปออกมาดูจิตเกิดทางตาจิตที่เกิดทางใจก็ดับเกิดจิตสรู้อารมณ์ทางตา มาดูทางตหน่อยหนึ่งมาฟังด้วยหูนิดนึงแล้วก็ดับอีกเขาไปคิดต่อยแล้วเป็นว่าเราทันใจเนี่ยจิตเกิดดับพค่เห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ตไปชำนิชํานาญขึ้นเห็นอะไรรับเห็นจิตเกิดดับจะค่อยๆคลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราตัดไปก็รู้อีกว่าจิตส่งเข้าไปภายในจิตส่งออกไปข้างนอกนําความทุกขมาให้จิตส่งนอกจิตส่งในนําความทุกข์มาให้ แต่เป็นจิตก็ไม่สบจิตอยู่ในความเป็นกลางเลยที่ไม่ต้องรักษาเพ้าจิตฉลาดจิตไม่ใช้เด็กวูอมันไม่เคยเห็นฐานไฟแดงๆเด็กอะ่ะเด็กมันเห็นฐานไฟจิตไฟแดงๆสวยอยากจับผู้ใหญ่บอกอย่าจับอยาจับเสริมมันก็แอบจับแต่พอมันจับแล้วสักทีมันรู้ว่าทุกข์ถ้าใคจ้างใหจับมันก็ไม่จับ จิตก็เหมือนกันจิตถ้าเราเคยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะมันหลเข้าข้างในไรอย่างเงี้ยเพราะมันฟูแต่แปลงจ้าให้หลายไม่ไม่ไหลเพราะมันไปอยากุกฟูทําอะไรตอนนี้เออรู้ไหมเมื่อกีย้หลงคิดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยนะแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าหลงเพราะจิตไปทํางานทันใจเราไม่รู้ทันมันก็เรียกว่าหลงอยากไ้ม ยากนะไม่คิดมากไม่ยากเนอะอย่าถือว่าฟังแล้วปลุ้มใจปลุ้มใจรู้ว่าปลุ้มใจเห็นไหง่ายจะตายเนละยแต่ฟังเลยฟัอ น, นี้ปลุ้มหึือไม่รลุ้ ม, มยอะก็ยังยากเลยแต่ไม่คิดมากนะไม่ยากอะคิดมากยากหนามใรู้ให้ทันนะจิตทําอะไรจิตทําอะไรแต่และอยานะ่างนเคำว่าหลงก็ไปได้หมดเลยหลงคิดแล้วหลงเก่ง หลงบริกรรมหลงรักหลงโกรธลงสุกหลงทุกข์อย่างใจมันก็กำลังหลงนยูืเลยท่านสงฆ์กจะบอกวอข้อดีไว่าตอนนี้ยุ่งกับโสดตลอดก็อย่าไปยุ่งกับมันด้ยมีแตปัจจัยอย้ำีไม่คนควาไม่รู้ไม่รู้จักทุกยไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ว่าถ้าสงเข้าไเยอะจะทุกข์ ควา ม, มไม่รู้ <oret า S 2> ไม่รู้เรื่นี้นะเรียกว่าไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจนะอวิชชาความมีความไม่รู้ว่าส่งเข้าไปแล้วทุกข์จิตก็เกิดตัณหาเกิดการส่งเข้าไปสังนอวิชชาก็้วเลยเป็นรากเงงป็เงาตัณหาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์เกิดเพราะจิตส่งเข้าไปนี่แหละก็เลยส่งจิตเข้าไปก็เกิดตัณหาแล้วก็เกิด การเข้าไปยึดถือ<น>เกิดการเข้าไปทำงานเพื<ะ>่อเกิดอุปาทางเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์<น>แต่ถ้ารู้ว่าจิตส่งฆ่าข้าไหนแล้วเป็นทุกข์รู้ละเพราะรู้ต้องรู้ว่าครับไปไมไม่ใช่รู้ไม่ไม่ตอนนันไม่รู้แล้วเพรา่ไม่รู้ับแต่เคยคุณเคยคว่ารู้แล้วแต่ก็ยั ง, ง, ยยงยติดรู้ใจมันก็กำลังพยายามค่อยๆหยุดจะหายตื่นขึ้นมาห้ามหนี้าม ห็นไหมว่าเผลอฟังอย่างนี้เรียกหลงฟังเห็นมสังเกตไหมเราฟังเขาฟังแล้วเราไปคิดเห็นไหมเราลืมตัวเราเองดูออกไหมลืมกายลืมใจเรียกเร่ว่าหลงเพราะงั้นจะเรียนธรรมะให้รู้เรื่องรู้เรียนให้เข้าใจว่าหลงเป็นยังไงถ้าเราหลงทั้งวันแต่เรารู้ว่าหลงเป็นยังไงใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมามันตั้งมั่นขึ้นมานั่แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิ พอใจตั้งมั่นขึ้นมาถ้มามันมันลงอีกมันจะเห็นเลยลงนิดนึงก็ทุกข์อ mm ่ะเพรามันเคย อ, อยู่กับมันนะแต่ถ้ามันลงทุกข์อย่างชาวโลกเขาไม่มีวันเห็นทุกข์หรอกเพราะเขาอยู่กับทุกข์มาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยลุดออกมาจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นจิตสิกขาหรือส mm hmm. มาทานทิ่เป็การฝึกให้เราหลุดออกจากกองทุกข์ชัว่วคราวเพื่อเราจะได้เห็นทุกข์ได้ชัดมีป mm ัญญาย่าง ตอนทุเอย่างนี้เขาเรียกว่าคนหลายใจตอนนี้ทุกหนักพราะติเครื่อนี้นึ่งทุบก็รู้ว่าทุกแต่แล้วทุย่ก็ไปถูกหมดกันที่เนี่ยมีหน้าที่นี่สมมาหายกินหรือไม่ใช่เลี้ยงขันห้าด้วยต้งเลี้ยงขันต้องเยอะก็มีหน้าที่อยากไปทำให้มันเตเลี้ยงทุกทาีใครคนจ้าง่อครับ ภาวนาสบายดีพอจะเรือกทีงานผมไว้ต้องถาไดไม่ขี่เกียจยังขี้เกียจยังขีง้เกียจทำงานเนี่ยถ้าไม่อยากทำนี่นะเราต้องทำก็ทุกยทเยอะถ้าทำไปตามหน้าที่ไม่ทุกเท่าไหร่ทําอะไรอย่างนี้แล้ยากไหมเป็นยากเพราะไม่เคยฟังมไม่ได้ยากเลยแล้วแค่รู้ความรู้สึก ข, ของตัวเองอยู่เรื่อยๆอยากอะไร นี้เรารู้ความรู้สึกไม่ได้เพราเราชับเสอชับหลงนะเนี่ยแล้วก็หลงแ ล, แล้วที่รู้ตัวใบๆมันหลงแไปมันก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็รู้กายรู้ใจได้ก็แค่นี้เองพอเรารู้กายรู้ใจก็อย่าไป น, นั่งจ้องสิ่งที่ผ่านมาเราไปนั่งใจ้องให้มันนก่งหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยได้พักผ่อนได้แค่นั้นฝึกมากๆมันขี้เกียดขึ้นมาเรื่อยออกมากระทบโลกนิ้เดียโมโหลเลย คนพวกนั่งสมาธิเยอะๆเนี่ยขีโมโหยิ่งฝึกยิ่งร้ายขึ้นเรื่อๆยๆมันน่าอัตตาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครูเก่งคนอื่นมันเล็วกูดีกูสมรสมองท้าวัดยิ่งท้าวัดยิ่งร้ายกว่าเขาเวลายอยู่วัดทําเรียบร้อยเนี่ยเดินผ่านหมานโอ้เรียบร้อยเสื้อก็เป็นพระโบสถ์ที่สักให้หมาที่ต้านขวางก็ใจเลย ใจลอไปแล้รู้ไหมหอย่างนี้ใจนีไปเรารู้ทันหนีไปเรู้ทันน้องฟังเรื่องนีนฟังมานานหลายทีแล้วเจาแต่สมาธิอือเวลารเราพยายามรู้ความรู้สึกนี่หลงอยูางอะไรนะเราเราพยายามจะรู้ความรู้สึกนีความรู้สึกทางกายจะหายไจิตรู้ว่าลมเล็อันเดียว นะถ้าเราไปจับเขาที่ฝัามรู้สึกทางใจกายก็หายแต่รู้ขนาดไมได้เออถ้ารู้หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่สุวัรดิ์เขาบอกว่าเรารู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตเพื่อรู้จิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือเห็นอริยสัจนั้นเราต้องรู้นะว่าเรารู้กายเพื่อจะให้รู้ทางจิตไม่ใช่รู้กายเพื่อจะรู้กายสต่มาสั้งหัดใหม่ๆนี่ก็ไปหาหลวงปู่ดูลงปู่ดูลสอนตู้จิตเลย อ่านนังสือมามากแล้วจากนี้อ่านจิตตนเองเข้าอ่านความรู้สึกของตัวเองตามรู้ความรู้สึกกันเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวเบา อ, อย่างเงี้ยตามรู้ไปเรื่อยๆรู้อยู่เทา่านึงจนกระทั่นชำนาญเสร็จแล้วเวลาไปฟังครูบาอาจารย์อื่นอื่นเทศน์ฉ้นทักชับเทศเรื่องพุทโธเราพี่นาค ก, การเ น, กกรนสีสงสัยจังเลยเราไม่ได้พี่นาค ก, การพอทีก็ไปถามหลวงปูดูล หลวงปู่ผมยังต้องที่หนักกายอยีกเว้ยเนี่ยหลวงปูดูลสันบอกว่าเราพี่จะหนักกายเมื่อให้รู้จิตวั<อ>นนก็ตรงกับที่หลวงปู่ควัตเล่าว่าหลกุมังสอนท่านบอกเราพี่จะหนักกายเพื่อให้รู้จิตถ้ารู้จิตได้แล้วจะเอากายไปทําะทอะไรกี่เละไม่ได้เกิดที่กายที่เเกิดที่จิตเยอริยสัจก็เกิดที่จิตรู้ตรงนี้จะได้เห็นอริยสัจ ง้นถ้ามีกําลังพอรู้จิตก็ไปเลยถ้าไม่มีกําลังพอก็รู้กายไปก่อนถ้ารู้กายก็ยังไม่ไหวอีกก็ทําสมาธิอารมณ์ น, อองนึงมาลอ่อให้จิตมาอยู่การลมันนั้นเช่นพุโทโธพุธโทโธแล้วไม่ต้องรีบนะบาคนพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ต้องรีบร้อนนไม่ได้ทํามาหากินอะไรเช่นพุโทโธแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็พุโทโธให้เร็วๆถ้าใจสบายแล้วก็พุโทโธช้าๆ พุทโธพุทโธนีทพุทโธไปแล้วก็สังเกตใจถ้าใจของเราสงบพุทโธก็ชัดช้าช้าแล้วไหนใจฟุ้งซ่านพุทโธก็ว่องไวเร็วเอาพุทโธมาเป็นเหยื่อดูใจทั้ออกดูจิตใจออกแล้วตลัมาทิ้งคำว่าพุทโธไปสตาลมองเห็นรูปรูปที่ตาลมองเห็นก็มาแทนคำว่าพุทโธ อย่างเราพุโทโธพุธโทโธเราก็รู้ว่าใจเราสุขหรือทุกข์ใจเรารู้ตัวอยู่หรือใจเผลอไปแล้วอะไรเงี้ยเขามาเห็นตาเห็นรูปหรือรูปแทนพุโทโธทีใจเราก็หลงรูปบทีใจเราก็เกิดสุขเกิดทุกข์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพุโทโธหรือว่าหายใจเพื่อจะฝึกรู้ทันจิตพอรู้ทันจิตแ ล, แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ถ้าใส่รู้ทันจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นี่คือคําตอบที่ว่า เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมใช้ได้ไหมไม่ได้เห็นพัดลมแล้วให้มารู้ที่จิตหรือทันจิตเช่นเห็นพัดลมอันนี้พูดถ้าทางสวยจะอยากได้หรู้ว่าอยากได้เห็นอันนี้โอ้ยูโบราณน่าเกลียดรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันอยู่ที่จิตจะเห็นเลยว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันจิตไม่เที่ยงหรอกเห็นว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้สตะะิยตเถียกขาด ใจลอยไปแล้วทราบไหมเออนี่หัดเห็นนี่เห็นไหมต้องเห็นยากเลยแต่ถ้าคิดว่าการปฏิบัติคืออะไรนะสุขจะยากเลยเผลอก็รู้ว่าเหลอสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ใช่ไหมจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตหลงหลงอีกแล้วจิตหลงมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตลุ้งร้างเดี๋ยวรู้ว่ามีความฟุ้งร้างกดครูรู้ว่าหดหู่ไม่เห็นยากเลย แทนที่พระไม่ได้เจ้าสอนอนี่นง่นายง่าเราชอบไปทำอะไรที้ยากายากเลยโดยเฉพาะชอบทำขรึง น, <c oughs> นี่ยหลงอีกนะครับไหมทำอะไรตอน <c oughs> นี้ทำอะไรหลงหรู้สึกไหมว่าเน่นแน่น ท่นเนี่ยเบากว่าเม่กี้หน่อยหรือออกไหมเมื่อกี้ไม่รู้ว่านั่นเนี่ยเพราะมันฉิบแต่ถ้าเคยรู้สึกตัวแล้วเมื่อกี้ถูกครั้งนั้่งเห็นไหมไม่เหมือนกันหรือออกไหมเมื่อกีย้จึงเรียกว่าหลงเนี่ยหลงดูเห็นไหมลงปฏิบัติถล่มลงไปดูปวดข้อที่สองอะระหว่างดูเอี่าถล่มลงไปนอนแช่เมื่อกี้ถล่มลงไปนอนแช่ดูอยู่เล่นหลงเนี่ ค่อยๆสังเกตสภาวะคือท่านจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตถอดถ อ, ถอนตัวเองขึ้นมาเรียหลงดูอยู่รู้ไหมแมสไม่หลุดออกมารับนี้ไม่ยอมหลุดออกมามแน่นอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมีมถ้าดูว่าไม่คมือจิตที่ท่นานอาจารย์บอกคงจิตใจเราเงียบๆเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วไม่ใช่หรอกนะใจลงไปนอนแช่ยอยู่ในอารมณ์นิ่งๆไม่บีใจกําลังหลงอยู่ คืเรียกว่าหลงลงไปนอนใช่พวกที่ทําธิามากมากก็เป็นเรนาแค่ไหนนะแ่ไหนอย่าลงเท่าไ่ะรู้ทันไหมว่ากลังสลับลงไปนอนนิ่งนิ่งอยรู้ทันว่าังสับเฉยๆอย่นี้เน่ยลงไปนอนเ น, นี่ยลงไปซึมอยู่ข้างในอะ่ะไม่เอานะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวถึงตืง่นขึ้นมาจริงๆอย่างนี้นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเป็นผู้หลับผู้ฝันแล้ว เห็นแมไม่เหมือนกันตรงนี้ถึงจะเรียกว่าตื่นเมื่อกี้ลงไปนอนแช่ี่เริ่มเข้าไปอีกแล้วตือบบ อ, ออกไหมหายไปตามความเกิดชินอย่าไปคิดไปหาหรู้ขพอมงคีมาหรือผานมาสองรอบที่สนๆแค่เจอท่านนิดเดียวแล้วก็สอนให้รูส้นะสึกตัวแล้วรู้สึกตัวให้ได้ หัวใจของการปฏิบัติคือตรงนี้ภูมมั่นสามะได้มีสติไม่นั้นมีความเพียนไม่ได้ขาดสติไว้นั้นขาดความเพียนคงไปนั่งแช่นอนแช่ซึมอยู่ข้างในเนี้ยบอกว่ามีความเพียนไม่ใช่กําลังหลงอยู่กําลังสั่งสมโมหะอยู่อย่งนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิจิตมีโมหะมีราคะแทรกอยู่เจริญสบาย เ้าไปอีกแล้วทราบไหมออกมาวิที่ออกมาก็คืออย่าไปดูมันง่ายๆรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เลยรู้สึกตัวได้มากกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงดูออกไหมรู้สึกตัวที่มานี่หมายถึงให้มัตื่นจะได้ไหมใช่ให้มันเพื่นให้มันตื่นไว้ไม่ใช่ให้มันซึมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลักผู้ฝันเนี่ยฝันอีกแล้เห้น ในโลกไม่มีผู้ตื่นนะในโลกมีแต่ผู้หลับผู้ฝันตื่นแต่ตัวในใจนั่งฝันฝันอีกแล้วหรือไหมเนี่ยขันไม่เลิกไม่ยอมตื่นกมีคิดว่ามันไดคิดอะไรนะเพราะการที่อาจารย์ตืนใจนี่นั่นะเราเป็นเดินจากมันเราไม่ได้ฝึกให้ใจนิ่งจช่ไหมนะเราฝึกดูความเปลี่ยนแปลงดูความเชื่อมไป เพราะว่าเราตั้งเข้าหมายผิดเราไปฝึกให้นิ่งแล้วเราจะไปเห็นใทรักเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น ต, นะตาไม่ได้หรอกมันนิ่งๆอย่างนึงแล้วเราจะเข้ารู้ความเปลียนแปลงนงรือทำยังไงก็จะเปลี่ยนแปลออกมากระทบอารมณ์ ต, ตาเห็นรูปถึงดอกไม้สวยนีย่เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สนไม่นิ่งอ่ะจิตใจมีความสุขกรู้ว่าสุขกาลังชมดอกไม้เป็นเจินเหยียบที่หมาข้าวหู้สิยาสแยงนีมันความฝุกหายไปแล้วสิยาสแยงรู้ว่าสิยาสแย ปฏิบัติเขาทำกันอย่างนี้แต่การนั่งสมาธิพักผ่อนถ้ามันเหน็ดเหนื่อยก็นั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดว่าการพักผ่อนนี้จะทําให้เกิดปัญญาเพระเรื่องอยากมีปัญญาต้องออกมากระทบอารมณ์ ห, หลวงพ่อมันตีชอบให้เดินเดินทั้งวันทั้งคืนนะซ่าไปอยู่ด้วยได้นอนวันหนชั่วโมงสองชั่วโมงต้งนั้นเดิน ทำไมท่านชอบีเดินท่านชอบให้เคลื่อนไหวใหเคลื่อนไหวแล้วจะได้ตื่นใจไม่ให้เคลิ้มไม่ให้หลับไม่ให้ฝันแล้วพวกเราชอบนั่งอยู่เดี๋ยวมันเคลิ้มฝัน น, นอ่กแล้วฝันไม่ได้ตื่นไม่หยอกตื่นรู้สึกว่าท่า น, น, น, น <S <S มันตืตลอดเวลาเหมือนว่ามีคิดตลอดเวลามไม่ใช่คิดตลอดเวลาความคิดไม่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ใ, นใจเนี่ยไม่เคยหยุดคิด แต่เราคิดไปแล้วหลงก็ราะฉะั้นเวลาหลงแล้วมันเพลินเหลอเพลินๆก็นที่ว่าไม่ได้คิดว่าสบายความสุงแบบคนติดยาตินยาเส็พติดเหลือๆเพลินๆกันหักรู้สึกตัวใหม่ๆรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าใจไม่เคยรู้สึกตัวใจหลักยุคเดียวพอมาหัดตื่นเลยรู้สึกเหนื่อยๆตอนแรก ใครจะถามได้เชื่อมีเวลาสองสามนาทีหมอไปก็ไม่ต้องนั่งหลับตาเรานั่งหรียนตา <c oughs> ไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ใช่นั่งช <c oughs> มนกชมไม้นะแต่นั่งเนี่ยนั่งตามรู้ความรู้สึกของเราเ <c oughs> ช่นเราหันไปทรงนี้ช้าเฉยกับเพื่อนเราอยากพูดด้วย <c oughs> เห็นความอยากเกิดขึ้นในใจความอยากเกิดขึ้น หันต่ทางนี้เจอศัต ร, รูเราอยากตกเลยเห็นความอยากตกเหตุขึ้นดูอยู่ฝูดขึ้นในใจเราที่กลางอกนี้แหละไม่นอนเยตรงนี้ถ้าหินแล้วมันไม่อยากอะไรเลยหินรับรองก็ไม่รับรองเลยว่าไม่อยากหรอกถ้าจิตติดแปกอย่างนี้จิตไปติดเจรเราก็นอนถ้าอาจาร ย, า ย, า ย, ายา์ยยเต้นไม้เราก็ติดเฉยเคยได้ยินประโยคนี้ไม่ของหลวงป่มั่นอยู่ในขันเทวิมุตติสมังคีบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย นั่นแหจิตติดเฉยกันเห็นอะไรไม่รู้เราหนาวหนาวจิตเป็นแบบนี้จิตไม่ได้ตัดเดียวเลยจิตซึมๆึต้องระวังนะอย่าให้จิตติดเฉยจิตติดเฉยจิตไม่มีปัญญาเรามักจะคิดว่านั่นเป็นวิธีปฏิบัตินเราคิดเอาเองครูบาอาจารย์ไม่เคยสอน เราเห็นครูบาอจสอนหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมพุทธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมวัดโพรู้สึกเผื่ราพวกเราฟังเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโพรู้สึกตัวนี้เราทิ้งส่วนที่เป็นสาระของคําสอนเราชอบคิดเอาเองว่าการปฏิบัติต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นึกเอาเองทั้งสิ้นเลยเนื้อใจเฉยละใช่ไหมคือพยายามมาที่แต่ได้ใจพยายาม คิดว่าหายใจเข้ารสึกตัวว่าเข้าหายใจออกรู้สึกอย่าคิดคิดแต่รู้สึกตัวเนี่ตัตรูกันแต่ว่ามันเรียนยากนะเรีครั้งเดียวฟังยากต้องทนทนเลยนะมันคนทนไม่ได้ฟังทีเดียวมันหายไปเล ย, ยไม่มนะีไรไม่ว่ากันแล้วใครโถนคนบางคนนะทนเป็นปีๆีลยทุกทุกแล้วทุกอีกบวชจะพิ้งตื่นขึ้นมาเนีนะน่งร้องถามธรรมบิยา คามจะตื่นแต่ละคนนี่นยากนะจิตของเราเนี่ยมันชอบหลับชอบฝันจะหาคนตื่นจริงๆอะยากยากทั้งทุกแล้วทุกข์อีื่นแล้วก็หับหยุ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> แบบพยาการณ์ละระอด <c oughs> ้ยินเสียงถาดเลอยมากระทบกันคลิกก็ตื่นเพระพุทธเจ้าจเจ้าช า, ชายสิทธัตถะลอยถาดลอยลงไปแล้วถาดจมไปกระทบถาดของพระพุทธเจ้า ก, ก่อนก่อนกันคลิ๊ก พยายามนาก็ตื่นตื่นขึ้นมาอ๋อเขาเพิ่งจาชาปรับสะดุ้ยองแหละเาหลับอย่ของเราเขาพร้อมจะหลับนะพร้อมจะฝันหลับๆฝันๆนั้นมันสบายดีตื่นออกมาก็เหมือนกัมาฝึกปฏิบัติมาเรียนรู้มาทำงานรู้สึกเหนื่อยถ้าผมสมาที่บางครั้งมันดีเนี่ยผมกำนการลงบุญใจด้วย รู้รู้จิตใจไปเลยรู้ความรู้สึกไปแล้วถ้าสมาธิเกิดเองตามเท่าที่ทันได้ทําได้ไม่ได้ทันตลอดเราไม่ใช่ผ้าหลังลูกต้องแล้วจะรู้เลยว่ารู้กับเผลอก็เกิดเราดับเหมือนกันรู้เท่าที่รู้ได้ต้องรู้ให้บ่อยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะฉีดขึ้นเอง และสติของเราทีแรกไม่ค่อยมีนานๆเกิดทีนอพอเราหัดรู้ความรู้สึกอะไรแต่ไอ้สติจะเกิดเร็วขึ้น เ, เป็นชียิบเลยละจนมันเป็นมหาสติที่มันเกิดอัตมัติมันคงดขึ้นแน่ครับหายเกินยังไม่ถึงฐานดีขึ้นนะแต่มันยังไม่ถึงที่ดูออกไหมยี่มันตกตาแลนะ้วถึง ยังไม่ค่อยไถึงที่ของมันดีแล้วแดงแดงค่อตื่นขึ้นหน่อยไหมขยันขยันนะขยันรู้สึกเอาวันนี้พอแค่นี้นะฟังรอบเดียวจะให้รู้แจ้งยยากนะเวลาเราเรียนวิชายอยู่ทางโลกเรียนตั้งหลายปีกว่าจะได้ปริญญาพอจะฟังธรรมะขอฟังทีเดียวให้ฟิ้งเลยยังนฟะิงไม่ไหว ้าใจเราเคยชินที่จะลงไปปรุแต่งเคยชินกับการหลับต้องค่อยๆฟังไปค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตไม่ต้องทําอะไรมากให้อ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆตามรู้ไปความรู้สึกของเราแต่ละขษณะไม่เหมือนกันหรอกเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุบเดี๋ยวก็เฉยๆอย่างตอนนี้ก็บตอนทานข้าวไม่เหมือนกันดูออกไหมให้รู้อย่างเนี้ยรู้ว่าตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันตอนนี้เมื่อกี้ไม่เหมือัตรู้ไปอย่างเนี้ยอีกหน่อยนั่นมันจะรู้ลงปัจจุบันเล้ อย่ารู้ว่าขนาดนี้เป็นยางไงถ้ารู้โดยไม่ได้จงใจอย่ารู้นั่นแหละรเรียกว่ารู้